เมื่อตามาถามว่าเคยประสบทุกข์กหนักหรือเปล่าอาตามาหมายถึงทุกชนิดนี้แหละและโยมแก้ทุกข์หนักคราวนั้นโดยวิธีไหนกรุนาเล่ารายละเอียดให้ฟังด้วยเอาเฉพาะวิธีแก้ของโยมเท่านั้น รายลเอียดของเรื่องอาตมาไม่ต้องการก็ไม่มีอะไรครับเขาก้มหน้ากล่าวขณะที่เพื่อนทั้งสองจ้องดูด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มเขากล่าวต่อไปว่าเมื่อพ่อแม่เพื่อนฝูงเงินทองความรู้ช่วยอะไรไม่ได้ผมก็ใช้วิธีอดทนก้มหน้าสู้กับมัน วันคืนผ่านไปก็รู้สึกว่าความระทมทุกข์มันลดลงเองในที่สุดก็รู้สึกสบายอย่างเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งบัดนี้ผมอาจจะระระยะเหตุการณ์ครั้งนั้นได้อย่างสบายเพื่อนคนหนึ่งถามลากเสียงทำนองล้อเลียนว่าจริงหรือเปล่าเขายืนยันแข็งขันว่าจริงเอาละเอาละอาตมา เชื่อโยมหมายความว่ายโยมใช้วิธีอดทนในการแก้ทุกข์ซึ่งก็ได้ผลดีมากถ้าโยมต้องประสบทุกข์นังๆอีกโยมก็คงใช้วิธีนี้อีกถ้ามีเพื่อนฝูงประสบทุกข์หนักมาขอคำแนะนำโยมก็คงใช้วิธีนี้อีกถ้ามีเพื่อนฝูงประสบทุกข์หนักมาขอคำแนะนำโยมคงแนะนำให้เขาอดทนใช่ไ้ยใช่ครับ ผมแนะนํามาหลายรายแล้วและทุกรายที่เชื่อผมก็สบายทุกคนมีคนหนึ่งไม่ยอมเชื่อในที่สุดมันก็ยิงตัวเองตายผมว่าเขาบ้าชัดๆอาตมากล่าวอย่างได้ทีว่าเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะอาตมากล่าวอย่างได้ทีแต่เมื่อถามว่าเจ้าตัวมานะกําลังจะเกิดขึ้นในใจจึงเรียกระงับมันเสียแล้วพูดต่อไปด้วยน้ําเสียงน้ําเสียงปกติ ว่าอาตมาพูดไว้แต่ต้นแล้วว่าโยมเป็นคนมีาศาสนาก็จริงอย่างอาตมาว่าไม่เพียงแต่มีไว้เฉยแต่ยังประกาศเผยแพร่เสียด้วยนมพ่อค้าคนที่สองถามขึ้นว่าท่านหมายความว่าอย่างไราศาสนาทุกาศาสนาเกิดขึ้นมาเพราะชีวิตมันเต็มไปด้วยทุกโยมเอ๋ยถ้าไม่มีความทุกาศาสนาจะไม่เกิดขึ้นเลย ศาสนาทุกศาสนาถ้าว่าโดยเนื้อแท้แล้วไม่ใช่อะไรอื่นคือวิธีแก้ทุกนันเองทุกหนักหนักชนิดที่ไม่มีวิธีอื่นแก้ได้เมื่อโยมประสบทุกยองมีวิธีแก้ทุกอย่างได้ผลนั่นแหละคือศาสนาหลักแต่มันเป็นวิธีแก้ทุกส่วนตัวของผมนี่ครับจะเรียกว่าศาสนาได้อย่างไรหนุ่มนักศึกษาคานขึ้นแต่อย่าลืม ว่าศาสนาใหญ่ๆของโลกแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นวิธีแก้ทุกข์ของคนคนเดียวเหมือนกันเช่นพระพุทธศาสนาก็เป็นวิธีแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าเครตศาสนาก็เป็นวิธีแก้ทุกข์ของพระเยซูคริสต์ท่านเหล่านั้นเมื่อคนพบวิธีแก้ทุกข์และแก้ทุกข์ของตนเองได้แล้วสงสารคนอื่นที่ตกอยู่ในห้วงทุกข์จึงบอกวิธีแก้ทุกข์ให้ เมื่อมีผู้เริ่มใสนำเอาวิธีแก้ทุกข์ของท่านไปใช้มากๆขึ้นในที่สุดก็กลายเป็นพุทธศาสนาหรือคริสตศาสนาไปแม้วิธีของโยมที่โยมใช้มาได้ผลและแนะนําให้เพื่อนฝูงนําไปใช้ก็อาจกลายเป็นาศาสนาได้ถ้ามีคนเริ่มใสนําไปใช้มากพอชายหนุ่มทั้งสามไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ผงกศีระขึ้นลงช้าๆแสดงว่าเห็นด้วยกับความเข้าใจของอรรมา ทุกคนย่อมมีความทุกข์ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นพันพันล้านบาทก็ไม่พ้นทุกข์และทุกคนย่อมมีวิธีแก้ทุกข์แบบใดแบบหนึ่งอาจจะเป็นแบบส่วนตัวเขาเองหรือแบบส่วนรวมที่เขานิยมนับถือก็ได้วิธีแก้ทุกข์ที่เขานิยมเลื่อมใสและใช้อยู่เป็นประจำนั่นแหละคือศาสนาของเขา ฉะนั้นอาตมาจึงกล้ายืนยันตั้งแต่แรกว่าทุกคนต้องมีศาสนาแล้วท่านละครับมีวิธีแก้ทุกส่วนตัวบ้างหรือเปล่าถ้ามีกรุณาแนะนําเราด้วยเผื่อจะได้นําไปใช้นมพ่อคาคนแรกถามอาตมาไม่มีวิธีแก้ทุกส่วนตัวอาตมาเลื่อมใสในพุทธวิธีแก้ทุกขจึงยอมรับเอามาใช้เท่าที่พิจารณาดู อาตมาเห็นแน่ชัดแล้วว่าไม่มีศาสนาไหนไม่มีศาสดาองค์ใดได้วิจัยเรื่องทุกข์และรู้จักทุกข์ดีไปกว่าพระพุทธเจ้าและไม่มีวิธีแก้ทุกข์ใดในโลกจะได้ผลชั่งนัดเท่ากับพุทธวิธีแต่วันนี้ได้เวลาที่อาตมาจะต้องปฏิบัติกิจวัตรแก้ทุกเสียแล้วโอกาสหน้าถ้ามีเวลาแวะมาสนทนากันอีก อาตามาจะอธิบายพุทธวิธีแก้ทุกข์ให้ฟังนุมทั้งสามก้มลงกราบอาตามาอย่างนอบน้อมเป็นพิเศษรับว่าจะมาสนทนาอีกแล้วความลาจากไปฝ่ายอาตามาก็กลับไปเดินจงกรมเพื่อถอนรากทุกข์คือกิเลส ต, ต่อไปตอนที่สี่อนุภาพแห่งจิต ขณะนั้นเป็นเวลาจวนถึงเทศกาลตรุษสงกรานประชาชนจากกรุงเทพและจังหวัดต่างๆเริ่มหลั่งไหลมาสู่เวียงพิงเพื่อร่วมสงกรานอันขึ้นชื่อลือชาของชาวเชียงใหม่ส่วนมากเป็นชายหนุ่มที่มุ่งมาเพื่อชมสาวงามแห่งเวียงเหนือ ส่วนคนแก่ก็มุ่งมาชมภูมิประเทศบ้านเมืองและขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของแผ่นไทยงามแต่ก็มีคนแก่ไม่น้อยที่มาด้วยจุดประสองค์อย่างเดียวกับคนหนุ่มเพราะปุตรชนผู้ยังมีสันดานเปี่ยมด้วยกิเลสไม่ว่าจะอยู่ในเพศหรือวัยใดย่ำล้วนยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมฝ่ายดีทั้งนั้น ชาวต่างถิ่นเหล่านี้ท่องเที่ยวไปเป็นหมูม่ๆและไปทุกคนทุกแห่งคล้ายกับว่าจะไม่ให้มีความลับใดๆในเชียงใหม่เหลืออยู่อารามเชิงดอยสุเทพของอาตมามีคนมาเที่ยวเพิ่มมากเกินทุกวันจนดูพลุกพล่านและฟังเอื้อเอื้ทึกคล้ายกับมีงานวัดไปทีเดียวอาตมาพิจารณาเห็นว่าภาวะการเช่นนี้ไม่เหมาะสมสําหรับการบําเพ็ญเพียร ไม่เป็นไปเพื่อวิเวกและสมาธิจึงเตรียมบริหารเพื่อออกเดินทางไปพักบําเพ็ญเพียรบนพระาธาตุดอยสุเทพชั่วคราวดังนั้นในเช้า ว, วันหนึ่งหลังจากพัฒหารชาวเสร็จแล้วอาตมาก็สะพายบาตรและแบกกรดออกเดินทางกว่าจะขึ้นถึงพระาธาตุก็เป็นเวลาเกือบบ่ายสี่โมงพระมหาเทระผู้บริหารพระอารามได้จัดให้อาตมาพักที่กุฏิหลังเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ข้างๆภูเขาด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือขององค์พระทาทุรอบๆกุฏิมีต้นลั่นทมหลายต้นกำลังออกดอกบานสะพรัง่งทรงกลิ่นหอมเย็นตลบอบอวนตลอดเวลาแม้จะมีประชาชนมานมัสการพระาธาตวันละมากๆก็ม่ได้เป็นที่รบกวนต่อการบำเพ็ญเพียรของอาตมาตายอย่างใด เพราะกุติที่พักอยู่ต่ำลงไปมากไม่มีคนลงไปเดินเพ่นพ่านแม้แต่เสียงคนพูดกันก็ลงไปไม่ถึงมีแต่เสียงระฆังเท่านั้นที่ดังกังวานลงไปเป็นครั้งคราวทุกๆเวลาบ่ายเมื่อพระอาทิตย์โคจรรับองค์พระทาตุลงไปทางทิศตะวันตกเมื่อประชาชนลงจากพระทาตไปสู่เยี่ยงหมดแล้ว อาตมาชอบขึ้นไปนั่งบนมานั่งซึ่งตั้งอยู่บนลานริมนาผาด้านทิ่ตะวันออกขององค์พระธาตุแล้วมองดูชิวทัตซึ่งวางแผ่อยู่ข้างหน้าตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อมองดูจากพระธาตุดอยสุเทพเห็นเป็นกระจุกเล็กๆเต็มไปด้วยหลังคาเคหสถานและต้นไม้สีเขียวมียอดอันแหลมของพระเจดีย์เสียดขึ้นมาเหนือสุมทุมพุ่มไม้เป็นแห่ง ทางด้านซ้ายและขวาเห็นแนวต้นไม้สีเขียวสองแนวพุ่งจากภูเขาเข้าสู่ตัวเมืองนั่นคือถนนห้วยแก้วและถนนสุเทพระหว่างถนนทั้งสองมีที่ว่างสีเหลืองแสดงว่าเป็นไร่นาถัดจากตัวเมืองออกมาเล็กน้อยเห็นต้เจดีสีทองเขา ว, วัดสวนดอก โผล่ขึ้นมาเหนือแนวหมายเมื่อต้องกับแสงแดดยามเย็นสองแสงงามระยับจับตากลายออกไปทางขวามือเห็นถนนสายหนึ่งตัดตรงผ่านทุ่งนาลงไปทางทิศใต้และมีรถยนต์หลายคันกำลังวิ่งอยู่บนถนนมองดูคล้ายมดที่กำลังไต่ไปตามพื้นอย่างจะชากลายออกไปทางทิศตะวันออกเห็นทิวเขาอันสลับซับซ้อนวางเป็นแนวยาวเหยียดจากเหนือจัใต้ ยืนตัวสลัวอยู่ในหมอกความแห่งคิมหันตารดูทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกันเข้าเป็นทิวทัศน์อันสวยงามยากที่จะพบเห็นได้ในส่วนอื่นของประเทศอาตมาชอบไปนั่งชมวิวณจุดนั้นแล้วก็ขบคิดธรรมะของพระบรมศาสดาอยากที่สูงเช่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างดูเล็กจนดูไม่มีความหมายและคุณค่าใดๆ ความสูงช่วยให้เห็นมนุษย์เป็นเพียงสัตว์โลกตัวเล็กๆตายอยู่ตามพื้นดินและเห็นทรัพย์สมบัติทั้งปวงเป็นแต่เพียงเครื่องเล่นของมนุษย์อากาศที่เย็นสบายและความเงียบสงัดบนดอยช่วยให้การปฏิบัติเพื่อถอนรากทุกข์ของอาตมาดำเนินไปอย่างรวดเร็วแนวทางปฏิบัติของอาตมาเป็นไปตามหลักสติประฐานสคือการตั้งสติ ความตื่นตัวและสัมปชญยะความรู้ตัวไว้ที่กายเมื่อกายอยู่ในอิรยาบดยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้ว่ากําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนเมื่อร่างกายทําอาการกินดื่มทํางานและพูดก็ให้รู้ว่ากําลังกินดื่มทําพูดเมื่อหายใจเข้าส่งอกขยาย ก็ให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าและทรงอกขยายเมื่อหายใจออกทรงอกยุบก็ให้รู้เมื่อถายอุจจาระปัสสวะก็รู้สรุปความว่าไม่ยอมให้การเคลื่อนไหวใดๆของกายแม้แต่การกระพริบตารอดพ้นไปจากการกำหัดรู้ของสติและสัมปชัญญะประการที่สองตั้งสติสัมปชัญญะไว้ที่จิต เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของจิตทุกวินาทีเมื่อจิตคิดก็ให้รู้ว่ากำลังคิดเมื่อจิตอยู่นิ่งก็ให้รู้ว่าอยู่นิ่งๆเมื่อความโลภเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าความโลภ ก, กำลังเกิดขึ้นเมื่อความโกรธความหลงความอิจฉาลิสยาความกำหนักยินดีความเสื่อมซึง่งความเหงาความหวาดกลัวต่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าเกเรชนิดนั้นๆกำลังเกิดขึ้น ประการ ท, ที่สมตั้งสติสามปชัญญาเอาไว้ที่เวทนาคือความรู้สึกต่างๆเมื่อความรู้สึกเป็นสุขเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าสุขกำลังเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าทุกข์กำลังเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้รู้ว่ากาลังรู้สึกเฉยๆประการที่สี่ดึงสติสามปชัญญาเอาไว้ที่ธรรมะ คือขณะที่บำเพ็ญเพยียรอยู่นั้นถ้าเกิดปัญญาความรู้แจ้งในธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นก็ให้รู้ว่าธรรมะนั้นนั้นกำลังเกิดขึ้นการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในสติปัฏฐานสี่อยจ้องดูกายจิตเวทนาและธรรมท่านผู้สนใจไฟธรรมเราทั้งหลายก็ศึกษามาตามลำดับก็คือกายเวทนาจิตธรรมแต่ในที่นี้กายจิตเวทนาธรรม ถึงอย่างไรก็ตามก็รวมอยู่ในสีคขอ้อนี้ดุดนายทวานบาลรักษาประตูประกอบด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์และการสำรวมตาหูจมูกลี้นกายและใจพูดไม่น้อยกินและนอนแต่พอประมาณอย่างนี้จิตของอัตา ม, มาก็เริ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิพร้อมๆกับจิตเป็นสมาธินั่นเองก็รู้สึกว่า ดวงปัญญาได้รับการขัดเกลวให้แหลมคมขึ้นละเอียดประนีตขึ้นสามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตยกตัวอย่างเช่นการยกเท้าก้าวเดินที่ทุกคนทำอยู่เป็นประจำนั้นถ้าเราดูด้วยปัญญาอันหยากก็จะเห็นเพียงระยะเดียวคือก้าวหนึ่งหนึ่งจากการยกเท้าขึ้นถึงการวางเท้าลงแต่ถ้าดูด้วยปัญญาละเอียดที่สมาธิอบรมแล้วจะเห็นว่า การยกเท้าก้าวเดินนั้นเป็นกระบวนการอันซับซ้อนประกอบด้วยระยะต่างๆมากมายคือมีการออกแรงเมื่อยกเท้าขึ้นเมื่อเท้าพ้นจากพื้นรู้สึกมีสัมผัสเย็นที่พื้นเท้ามีการออกแรงอีกเพื่อดันเท้าไปข้างหน้าขณะที่เท้าแหวกอากาศไปข้างหน้ามีสัมผัสเย็นทั่วเท้ามีการออกแรงเพื่อจะวางเท้าลง รู้สึกมีการกดดันของอากาศที่พื้นเท้าเมื่อเท้าถึงพื้นรู้สึกมีการกดบีบและความเจ็บเล็กน้อยที่พื้นเท้าเจตใจที่เป็นสมาธิจจตใจที่มีสมาธิมีปัญญาแแหลมคมเกิดขึ้นแล้วสามารถจะติดตามดูรายละเอียดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนเพราะเหตุนี้ ดวงปัญญาเกิดจากสมาธิจึงสามารถทำให้รู้ความจริงได้อย่างละเอียดละออกว่าจิตใจคนธรรมดาได้หลายร้อยเท่าเปรียบเหมือนการดูสิ่งของด้วยกล้องจุลทรรศกับการดูด้วยตาเปล่าเมื่อแรกบวชพระอาจารย์เคยสอนอาตมาว่าน้ำที่นิ่งสงบตะกอนต่างๆที่แทรกอยู่ในน้ำย่ำตกไปนอนอยู่ที่ก้นภาชนะทาให้น้าใส เมื่อน้ำใสก็มีลักษณะคล้ายกระจกเราอาจจะส่องดูเงาหน้าของเราแทนกระจกได้ใจที่สงบนิ่งเป็นสมาธิเกเรต่างๆย่อมตกตะกอนทำให้ใจใสสะอาดสามารถนําไปส่องดูสิ่งต่างๆได้ชัดเจนคนที่กำลังเดินหรือวิ่งหรือกำลังนั่งบนรถที่วิ่งย่อมดูอะไรไม่เห็นถนัด ถ้าอยากดูให้เห็นชัดต้องหยุดวิ่งใจคนเราก็เช่นเดียวกันพอเราตื่นจากหลับมันก็เริ่มวิ่งวิ่งจากอารมณ์นั้นสู่าอารมณ์นี้ไม่ได้หยุดหย่อนเลยเห็นอะไรต่างๆอย่างเรื่นลางถ้าอยากเห็นชัดต้องทำจิตให้หยุดเป็นสมาธิเวลาคนจะยิงปืนเขาหลับตาเสะข้างหนึ่งเล็งด้วยตาข้างเดียวเวลาเราจะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เห็นชัดเราต้องปิดประตูอารมณ์ต่างๆ คือตาหัจมูกลิ้นกายเสียเหลือไวแต่ประตูเดียวคือมโนทวารที่มีสมาธิควบคุมไว้อย่างมั่นคงแล้วร่างกายต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอจึงจะมีกำลังแต่จิตใจต้องหยุดนิ่งจึงจะมีกำลังลาแสงถ้าจะกระจายไปทั่วจะมีกำลังน้อยถ้าเราเอากระจกรวมแสงไปกั้นให้แสงไปรวมอยู่จุดเดียวจะมีกำลังมากสว่างมากร้อนมาก สามารถเผาผลาญสีต่างๆได้จิตใจของเราถ้ารวมเป็นจุดเดียวด้วยสมาธิจะมีแสงสว่างคือปัญญามากสามารถเผาผลาญอริชาตัญหาให้หมดสิ้นไปได้คำสอนด้วยข้อเปรียบเทียบอันน่าฟังดังกล่าวมานี้อาตมาเห็นด้วยกับพระอาจารย์ว่าเป็นความจริงร้อยเเซนเพราะอาศัยประสบการณ์ทางจิตของตอนเองเป็นประจักษ์พยาน ส่วนคนในด้านจิตใจนั้นอาตมารู้สึกมีจิตใจสงบสุขเยือกเย็ยนอิ่มเอิบอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตอันความสุขทางโลีิวิสัยเมื่อ ย, ยังเป็นคริอข่าก็เคยได้รับมาทุกอย่างเช่นความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์สุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ากกายพยซื้อหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาบำรุงบำเรอชีวิต สุขเกิดจากความรักสุขเกิดจากผลสาเร็จทางวิชาการเป็นต้นความสุขทั้งหมดนั้นรวมกันเข้าแล้วก็ยังไม่เท่าเชี่ยวหนึ่งแห่งสุขทางธรรมที่ได้รับอยู่เมื่อพิจารณาดูละเอียดแล้วเห็นว่าคนวิ่งเต้นตัวเป็นเกลียวหาทรัพย์ก็เพื่อจะให้เกิดความเบาใจว่าตนมีทรัพย์แล้วเท่าเทียมคนอื่นไม่อดอยากแล้ว การที่คนแสวงหาคนรักก็เพื่อให้เกิดความสงบใจว่าตนมีคนรักแล้วความต้องการทางเพศได้รับการตอบสนองสงบระงับไปแล้วการที่คนแสวงหาความรู้และชั้นผูมิก็เพื่อให้เกิดความสงบใจว่าตนรู้แล้วได้ปริญญาแล้วไม่น้อยหน้าคนอื่นแล้วจึงอาจสรุปได้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมีตัวเดียวคือความสงบใจ สมดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่านัตติสันติบรังสุขังความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีต่างกันแต่เพียงว่าความสงบทางโลกต้องอาศัยวัตถุหรืออมิตแต่ความสงบทางธรรมเป็นความสงบที่ขุดค้นได้จากจิตโดยตรงไม่ต้องอาศัยวัตถุเนื่องจากความสงบทางโลกต้องอาศัยวัตถุซึ่งไม่แน่นอนสุขทางโลกจึงลอยไม่แน่นอนไปด้วย ส่วนสงบทางธรรมเป็นความสงบบริสุทธิ์ไม่อาศัยวัตถุจึงเป็นสุขอันถาวรและละเอียดประนีตกว่าอาตมาคงบำเพ็ญเพียรต่อไปทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ผลในด้านจิตใจนั้นนอกจากจะได้รับความสงบสุขยเยึกย็นอย่างลึกซึ้งแล้ว ย่ามารู้สึกว่าจิตใจใสสะอาดประดุดดวงจันทร์วันเพนลอยเด่นอยู่ในท้องฟ้าปลอดเมฆทำให้หัวคิดถึงคําสอนของพระอาจารย์ที่ว่าใจของคนเราเมื่อสงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่แล้วตะกอนต่างๆที่ทําให้จิตใจขุนมัวเสียคุณภาพย่อมตกไปนอนอยู่ที่ก้นของจิตใจทำให้ใจใสสะอาดตะกอนของจิใใตจใจมีห้าอย่างเรียกว่านิวรณ์ห้า แปลว่ากิเลสเครื่องขัดขวางความเจริญทางจิตใจให้ยากคือการมสันทะความพอใจยินดีราบซ้านอยู่ในรูปเสียงเลิ่นรถสัมผัสธรรมารมไฟดีเมื่อจิตใจถูกการมสันทะคราบงาใจจะเอิบอาบสาบซานหลิงโลดมีเสียคุณภาพไปพยาบาทความคุมแค้นขัดเคืองไม่พอใจ เมื่อได้ประสบกับรูปเสียงเลี่ยนรสสัมผัสธรรมารมฝ่ายชั่วทีนมิทะความเสื่อซึมงุนง่วงสลึมสลืออันเกิดจากการง่วงเหงาเหานอนความอ่อนเพลียและการกินอาหารมากเกินไปอุทธจักกุกจักความฟุ้งซ่านรำคาญงุนง่ามใจงดนิดวิจิกิจฉา ความสงสัยลังเลใจตัดสินใจไม่ได้เกิอไม่เข้าขาไม่ออกบอกไม่ถูกตามปกติตะกรจิตทั้งห้าอย่างนี้ย่อมฟุ้งอยู่ในจิตใจของคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปในชีวิตประจําวันตะกรทั้งห้าไดพลับเปลี่ยนเวียนกันเข้าทำลายคุณภาพของจิตใจตั้งแต่เวลาตื่นถึงเวลาหลับถ้าเราเฝ้าสังเกตดูสีหน้าของคนคนหนึ่ง ซึ่งประกอบการงานเลี้ยงชีวิตเป็นประจำวันเราจะเห็นได้ว่าบางขณะหน้าบึ้งด้วยความไม่พอใจบางขณะก็หน้าบานด้วยความพอใจบางขณะก็งดหงดงุ่นง่านบางขณะก็เสื่อมซึม ง, งบงงสลับกันไปตั้งแต่เช้าจนคำ่ทำทําให้จิตใจเสียคุณภาพไม่มีความสงบสุขเยเือกเยน็นคิดได้อย่างเลินลางเข้าใจได้อย่างเลียนลางจําได้อย่างเลิยนลาง อะไรทุกอย่างดูมันเลือนลรงไปหมดอยู่ไปทำไปเป็นวันๆคล้ายกับเยู่ในความฝันสนั้นคำของนักปราชญ์ที่ว่าชีวิตคือความฝันจึงเป็นความจริงมีส่วนในความเป็นจริงอยู่สำหรับผู้มีจิตใจอันมืดหมัว ด, ด้วยตะกรจิตทั้งห้าดังกล่าวแล้วแต่เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ แต่ก่อนจิตต่างๆตกไปแล้วรู้สึกว่าเจตใจใสสะอาดสามารถทํางานต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์จะน้อมนําจิตไปหัวงระลึกถึงเหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทบทวนความรู้บางอย่างที่เคยร่ำเรียนมาก็รู้สึกว่าระลึกได้อย่างจําแจ้งและคล่องแคล่วไม่มีขัดข้องจะน้อมนาไปคิดปัญหาบางอย่างซึ่งในเวลาปกติคิดไม่ออก ก็ปรากฏว่าคิดออกอย่างทะลุปรุโปร่งไม่มีติดขัดมีปัญหาทางวิชาการหลายอย่างที่ยุ่งยากซับซ้อนและคิดไม่ออกมาก่อนแต่มาคิดคำตอบได้แจ่มแจ้มในขณะที่จิตเป็นสมาธิอตมาคิดเสียดายเวลาที่ผ่านมาในอดีตเมื่อครั้งยังศึกษาและเรียนอยู่นม่ได้ทราบความมหัศจรรย์ของจิต และไม่ได้ฝึกฝนจิตตามหลักทางพระพุทธศาสนาการเรียนจึงเป็นแบบเดียวกับความฝันแม้จะสอบได้คะแนนดีเสมอก็อาศัยความมานะพยายามแทบตายถ้านักเรียนได้ฝึกฝนจิตตามหลักสมาธิจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในการศึกษาเล่าเรียนตอนที่ห้าสู่แดนทิพย์ กิจวัตรประจำวันของอาตมาบนประทาดอยสุเทพคงดาเนินไปแบบเดิมกับเมื่ออยู่อารามตีนดอยตามกันเพียงสถานที่เท่านั้นเช่นบริเวณกุฏิที่คับแคบกว่าจึงใช้เวลาในการปัดกวาดน้อยลงแทนที่จะนั่งพิจารณาระลอกน้ำหรืยฝั่งอ่างเก็บน้ำ ก็นั่งบนมานั่งริมหน้าผาพิจารณาทิวทัศน์เบื้องล่างแทนแต่ก็ได้ผลทางจิตใจพอๆกันเพราะเมื่ออยู่บนยอดเขามองเห็นอาคารบ้านเรือนและเลือกสวนไรนาเป็นของเล็กๆดูไรคุณค่าทำให้ผ่อนคลายอุปาทานความยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นการเห็นมนุษย์เป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่อยู่บนพื้นดินทำเป็นมนุษย์เป็นเพียงสัตว์ตัวหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆการเห็นเช่นนี้ช่วยในการบรรเทาอาหางการมามังการได้เป็นอย่างดีส่วนการบินทบาทบนพระธาตุดอยสุเทพมีความลำบากกว่าข้างล่างเพราะต้องเดินลงไปบินทบาทตามร้านค้าแถวบริเวณจอรถเชิงบันไดหน้า เสร็จแล้วต้องเปลี่ยนขึ้นขั้นบันไดประมาณสามร้อยขั้นกลับคืนสู่กุฏิบนยอดดอยภิกษุสหธรรมิกรูปหนึ่งคงจะเห็นความลำบากของอาตมาจึงแนะนำว่าท่านไม่จำเป็นต้องไปบินทบาททางวัดมีโรงครัวทำอาหารแจกพระเนนอยู่แล้วอาตมาขอบคุณในความหวังดีของท่านแล้วตอบว่า ผมต้องไปบินธบาะเพราะได้ตั้งสตยาธิฐานไว้ตั้งแต่วันอุปสมบทว่าจะบินธบาตเป็นวัดอาจารย์ของผมสอนไว้ว่าการบินธบาะเป็นประเพณีแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ทรงละเลยการออกเดินสุดอากาศบริสุทธิ์ในเช้าตรู่เป็นกายบริหารอย่างดี สำหรับพระภิกษุซึ่งไม่มีวิธีทำกายบริหารอย่างอื่นยิ่งกว่านั้นการบิณฑบาตเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมผู้มีทุนทรัพย์น้อยแต่มีภาระมากไม่สามารถไปทำบุญที่วัดมีโอกาสได้ทำบุญกับพระตามกำลังทรัพย์แทบประตูบ้านของตนเองเป็นการอนุเคราะห์คนทุกชั้นวรรณะเป็นการเข้าหาประชาชน ชาวบ้านส่วนมากย่อมมีภารกิจการงานเลี้ยงชีพผูกมัด ต, ตัวไม่สามารถจะไปทําบุญให้ทานที่วัดได้ทุกวันถ้าพระภิกษุเลิกการบิณฑบาตเสียเขาก็ไม่มีโอกาสได้ทําบุญสายสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับพระสงฆ์ก็ขาดลงเมื่อขาดความสัมพันธ์กับพระสงฆ์ก็จะขาดความสัมพันธ์กับพระพุทธและพระธรรมไปโดยลําดับ ในที่สุดเขาก็จะเป็นคนเหินห่างศาสนาหรือไม่มีศาสนาถ้ามีศาสนาอื่นมาเผยแผ่และสาสดาจานของเขาเข้าใกล้ชิดศาสนิกยของเขาเข้าใกล้ชิดกับชาวบ้านมากกว่าชาวบ้านก็หันไปนับถือศาสนาใหม่นั้นพระพุทธศาสนาอยู่มาได้เพราะพระสงฆ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวบ้านโดยการบิณฑบาตนี้เองส่วนหนึ่ง คำตอบของอาตมาคงจะได้ไปเขี่ยถูกจุดสาคัญในจิตใจของสหธรรมิกรูปนั้นเข้าโดยบังเอิญเพราะปรากฏว่าชาววันรุ่งขึ้นท่านได้ออกบินบาทเช่นเดียวกับอาตมาต่อมาภายหลังท่านได้เข้ามาหาตมาและพารณาอานิสงส์ของการบิธบาทให้ฟังว่ามันทำให้หายจากโรคปวดแข้งปวดขาซึ่งทรมานท่านมาราปี ทำให้ท่านรู้จักคุ้นเคยกับชาวบ้านจนชาวบ้านเกิดความนับถือเมื่อมีปัญหาชีวิตก็ไปปรึกษาหารือขอคำแนะนำเป็นเหตุให้ท่านได้เผยแพร่ธรรมะบำบัดทุกข์บารุงสันติสุขแก่ชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของพระสงฆ์และของพระาศาสนาส่วนการปฏิบัติ ด, ด้านจิตใจก็ดำเนินไปอย่างมีผลดี เหตุที่ตมาสามารถยืนยันได้ว่ามีผลดีก็เพราะทุกคืนที่ตมานั่งเข้าที่ทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมคำว่าพุโทโธจะท่องคำว่าพุโทโธนี้หรือกำหนดลมหายใจหรือเพ่งกะสินจิตจะดิ่งลงสู่ความแน่วแน่เป็นอปปนาสมาธิภายในไม่ช้าเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่มั่นคงแล้วนิวรัตังห้าซึ่งเป็นตะกอน ทำให้จิตคุณมัวไร้คุณภาพก็ระงับไปเหลือแต่ดวงจิตอันสว่างสวไยบริสุทธิ์ดุจ ด, ดวงจันทร์วันเพ็นลอยเด่นอยู่เฉพาะหน้าผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านก็ขอให้ท่านเข้าใจนาว่าตารมาภาพกำลังกล่าวธรรมะตมามธรรมะในหัวข้อเรื่องธรรมธารา เป็นชีวประวัติของพระธุดงรูปหนึ่งนาให้เข้าใจว่าไม่ใช่อัตมาว่าตนเองนะเนื่องด้วยมีสาระมีประโยชน์ในธรรมะของพระพุทธองค์ที่น่าประทับใจมากในธรรมะในเรื่องนี้ก็เลยต้องการให้โยมท่านได้ฟังด้วยกล่าวต่อไปว่าเหลือแต่ดวงจิตอันสว่างสวัยบริสุทธิ์ ดุดดวงจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่เฉพาะหน้าสิ่งที่ยังเหลืออยู่ภายในวงกลมแห่งจิตอันสุขใสนั้นก็คืออารมณ์บางอย่างซึ่งจิตนั้นสร้างขึ้นมาหรือนึกขึ้นมาการตรึกตรองพิจารณาอารมณ์นั้นความอิ่มเอิบซาบซ่านใจความสุขสงบใจอย่างวิเศษและความตื่นตัวที่คอยควบคุมลักษณะจิตต่างๆเหล่านี้อยู่เท่านั้น บางวันอาตมาเพลินอยู่ในความสุขสงบอันแน่วแน่นั้นจนรุ่งสว่างโดยไม่รู้สึกตัวรู้สึกว่าเวลาหนึ่งคืนสำหรับความสุขอันบริสุทธิ์สะอาดเช่นนั้นช่างสั้นเสียเหลือเกินถ้าจะเปรียบจิตใจของอาตมาในขณะที่กำลังอยู่ในสมาธินั้น <c oughs> ก็เหมือนบุุษผู้หิวกระหายมาหลายวัน <c oughs> ได้พบอาหารห้าชนิดมีรสเลิอแปลกแปกกัน มีขมมีเปรี้ยวมีเผ็ดมีหวานมีมันแล้วก็ก้มหน้าก้มตาบริโภคด้วยความกระหายหลายวันผ่านไปเมื่อเชื่อว่าตนมีความชำนาญในสมาธิขั้นนี้ดีแล้ว อาตมาก็ควบคุมสติถอนจิตจากอารมณ์และการคิดไตรตรองอารมณ์ลองดูในไม่ช้าก็ปรากฏว่าอารมณ์คงจิตระงับไปการตรีตรองตามอารมณ์ก็หยุดชะงักไปทําให้ดวงจิตแน่วแน่ใสาสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในดวงจิตก็คือความอึมเอิบใจความสงบสุขและความแน่วแน่แนเท่านั้น อาตมาอาจกล่าวได้ว่าบัดนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวความสงบสุขและความอิ่มเอิบใจอันบริสุทธ์เท่านั้นถ้าจะเปรียบจิตใจของอาตมากับบุรุษผู้หิวกระหายอีกทีก็เหมือนเมื่อเขารับประทานรสขมและรสเปรี้ยวหมดแล้วยังคงเหลือเพียงรสเผ็ดรสหวานรสมันเท่านั้น อาตมาเพลินอยู่ในสุขอันบริสุทธินี้เป็นเวลาหลายวันทีเดียวผู้ไฝ่ธรรมทั้งหลายอารมณ์จิตที่กะลาวนี้อย่าเพึ่งนึกถึงว่าบรรลุมรรคผลแล้วนะเป็นอารมณ์ของสมาธิเท่านั้นยังไม่ถึงมรรคผล น, ผนิพพานความสุขอันเกิดจากการดับนิวรห้านั้นก็สุขยิ่ง มากหมายมหาศาลเหลือที่จะพรรณนาเอาสุขทางโลกมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เมื่อมีความชนิดชำนาญในสมาธิขั้นนั้นดีแล้วอตมาก็พยายามลองก้าวต่อไปอีกโดยใช้สติระงับความอิ่มเอิบทราบซ่านใจซึ่งทำให้ใจกระเพิ่มเป็นครั้งคราวนั้นเสียพยายามอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็ประสบผลสำเร็จ บัดนี้ใจของอาตมาแน่วแน่ยิ่งกว่าเดิมดุดน้ําในขันที่สงบนิ่งปราศจากการกระเพื่มแม้แต่น้อยเมื่อจิตใจปราศจากความอิ่มเอิบรบกวนตัวความสงบสุขและความแน่วแน่ก็เด่นชัดยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนบุรุษผู้รับประทานรสเผ็ดหมดสิ้นแล้วเหลืออยู่แต่เพียงรสหวานและรสมันอันแสนจะอดิษฐานโดยส่วนเดียว วันต่อมาได้ลองยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นอีกโดยการใช้สติระงับความรู้สึกเป็นสุขใจนั้นเสียเพราะรู้สึกว่ามันยังทําให้ใจกระเพิ่มอยู่นิดๆแม้จะกระเพื่มเพียงเล็กน้อยจนแทบสังเกตไม่ได้มันก็ยังทําให้ใจไม่สงบแน่นิ่งแท้อยู่นั่นเองเมื่อพยายามอยู่ครู่หนึ่งความสุขก็ระงับไปเหลืออยู่แต่แนวแน่ยอย่างมั่นคง เรียกว่าเอกคตาปราศจากสิ่งรบกวน ใ, นใดๆแม้แต่น้อยเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ในดวงจิตเลยนอกจากความสงบแน่วแน่มั่นคงอย่างเยี่ยมยอดความเป็นกลางไม่เกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวหรือเอ็งเอียงในด้านใดแสงสว่างอันบริสุทธิ์ขาวนวลและตัวสติที่คอยควบคุมอยู่เท่านั้น ถ้าจะเปรียบกับบุรุษผู้หิวกระหายขณะนี้ก็เปรียบเหมือนตอนที่เขารับประทานอาหารครบทุกรสแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากความอิ่มเท่านั้นอาตมาสังเกตดูลักษณะจิตในสมาธิขั้นนี้เหมือนจิตใจของคนที่กําลังหลับสนิทประส า, าททั้งห้าไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกแต่ยังมีสติดูแลใจที่กําลังหลับสนิทอยู่ เปรียบเหมือนมารดาซึ่งจ้องดูบุตรของตนซึ่งกำลังหลับสนิทอยู่ข้างหน้าเมื่อจิตขึ้นถึงสมาธิขั้นนี้แล้วอาตมาก็ถอยกลับคืนมายัางขั้นที่สามโดยใช้สติเรียกเอาความสุขกลับคืนต่อจากนั้นก็ถอยกลับมายัางขั้นที่สองโดยเรียกเอาความอิ่มเอิบใจกลับคืน อยู่ในขั้นที่สองชั่วขณะหนึ่งแล้วก็สร้างอารมณ์ขึ้นและใช้สติตรึกตรองดูอารมณ์นั้นกลายเป็นขั้นที่หนึ่งหลังจากนั้นก็เปิดทวารรับอารมณ์ของโลกโดยเปิดหูให้ได้ยินเสียงก่อนนะเปิดหูให้ได้ยินเสียงสะก่อนแล้วก็ลืมตาขึ้นเห็นรูปที่อยู่เบื้องหน้าเป็นอันว่าออกจากสมาธิอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนธรรมดา รู้สึกสดชื่นเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากความหลับสนิทจิตใจยังรู้สึกสงบสุขเยือกเย็นอยู่ไม่หายจิตใจปลอดโปร่งสบายความคิดอันหลักแหลมในรวดเร็วความจำดีขึ้นจิตใจมีกำลังขึ้นกิเลสต่างๆบรรเทาเบ า, บาบางลงอย่างมากวันคืนผ่านไป ก็ยังคงบำเพ็ญเพียรอยู่บนพระาธาตุดอยสุเทพโดยมิได้รามมือแต่ก็มีสิ่งที่น่าประหลาดใจบ้างคือตามาสามารถเข้าสมาธิได้แค่ขั้นที่สี่ดังกล่าวแล้วแม้จะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถจะทำจิตไปให้สูงกว่านั้นได้ อาตมาพยายามอยู่เป็นเวลานานหลายวันแต่ไม่สำเร็จจะเป็นเพราะเหตุใดไม่ทราบเมื่อความพยายามที่จะก้าวขึ้นขั้นสูงต่อไปไม่สำเร็จอาตมาก็ทำความพอใจอยู่ในสมาธิทั้งสี่ขั้นดังกล่าวแล้วแต่พยายามฝึกฝนอบรมการเข้าการออกให้ชำนิชำนาญยิ่งขึ้นจนสามารถจะเข้าสู่สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ทั้งโดยลําดับขั้นและข้ามขั้นทั้งในอิริยามบทนั่งและอิริยามบทนอนทั้งในเวลากลางคืนและกลางวันเมื่อเกิดมีความชนานาญมากขึ้นอำนาจพิเศษต่างๆก็เกิดตามมาเช่นบางคราวอาตมาได้ทดลองเข้าพักอยู่ในสมาธิขั้นที่สี่ตั้งแต่ย่ำค่ำจนถึงสว่างติดกันในเวลาถึงสี่วันโดยไม่ได้หลับนอนแบบธรรมดาเลย ถึงกระนั้นร่างกายและจิตใจก็ยังอยู่ในภาวะปกติไม่ได้มีอาการง่วงนอนอ่อนเพลียแม้แต่น้อยยิ่งกว่านั้นยังรู้สึกสดชื่นกระเป้กระเปล่ายิ่งกว่าปกติเสียอีกเพราะในสมาธิขั้นที่สี่นั้นจิตใจและร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างวิเศษติดต่อกันตลอดคืนไม่มีความฝันหรือการสะดุ้งตื่นรบ ก, กวนเลย ตั้งแต่นั้นมาอาตมาจึงชอบเข้าสมาธิขั้นที่สี่แทนการหลับนอนแบบธรรมดาคืนวันหนึ่งขณะที่เข้าสู่สมาธิขั้นที่สี่แล้วถอยออกมาพักอยู่ในสมาธิขั้นที่หนึ่งนั้นได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดผิดวิสัยสามัญยามนุษย์ขึ้นเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ทำให้เกิดความเชื่อสนิจว่าโลกของออปปาติกะสั์เช่นเทวดา และพูดผีปีศาจเป็นสิ่งมีจริงอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังที่จะเล่าให้ท่านฟังต่อไปขณะที่กำลังตรึกตรองอารมณ์อยู่ในสมาธิขั้นหนึ่งในคืนดังกล่าวได้มีแสงสว่างดุจกลางวันเกิดขึ้นทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้ประดุจกลางวานันธรรมดา ต่างกันแต่เพียงว่ากลางวันขณะนั้นเป็นกลางวันอันสงบเงียบต้นไม้ใบหญ้ยายืนสงกนิ่งอยู่กับที่บรรยากาศเงียบสงัดไม่มีเสียงใดๆววรบกวนแม้แต่น้อยแสงสว่างที่ปรากฏก็แตกต่างจากแสงแดดในตอนกลางวันธรรมดาเพราะเป็นความสว่างสีขาวนวลเย็นตาสว่างสม่ำเสมอกันในที่ทุกแห่งไม่มีเงาสลัวในที่ควรจะมี เหตุการณ์ท so ี hay hay ่ปรากฏขึ้นนั้นไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนเพราะไม่ได้หลับแม้จะอยู่ในสมาธิก็ยังมีสติควบคุมจิตอยู่อย่างเต็มที่ภาพที่เห็นเฉพาะหน้าก็ไม่ใช่ภาพมายาที่เกิดขึ้นอย่างเลือนลางเหมือนในความฝันแต่เป็นสิ่งต่างๆที่แตมาเห็นอยู่เป็นประจำวันนั่นเองเช่นบริการต่างๆ ภายในกุฏิก็ตั้งอยู่ในที่ของมันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเดิมตอนลั่นทมที่หน้ากุฏินับดูเก่งของมันก็มีเท่าเดิมไม่มีอะไรผิดปกติเลยจะมองดูสักกี่เที่ยวทุกสิ่งก็ยังปรากฏอยู่อย่างเดิมฉะนั้นจึงไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนขณะที่นั่งสำรวจดูสิ่งต่างๆอยู่นั่นเองก็ปรากฏว่า มีชายแก่คนหนึ่งเดินถือไม้เท้าตรงเข้ามารูปร่างของแก่ผอมผิวหนังเหี่ยวยน่นมีผมยาวสีขาวม้วนเป็นขมวดไวข้างบนสังเกตดูเสื้อผ้าของแก่ไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดาแต่เป็นหนังเสือดาวที่มีดอกดวงเห็นได้ชัดเจนคะในดอายุ ข, ของแก่ประมาณ70็ดสิบปีเป็นอย่างตำ่ำแก่นั่งลงข้างหน้า ยกมือไหว้แล้วพูดขึ้นว่าข้าเจ้าคือสุเทวะฤศีผู้รักษาพระธาตุดอยสุเทพข้าเจ้ายินดีที่ได้เห็นท่านปฏิบัติจนสามารถยกระดับจิตขึ้นได้เท่าเทียมกับระดับของเราจึงใคร่จะมาสนทนาด้วยอาตมาจ้องดูอากัปกิริยาของฤศีชราด้วยความสนใจแล้วก็ตอบว่า อาตมายินดีที่จะสนทนากับท่านผู้ทรงพระหากท่านมีปัญหาใดๆที่จะไต่ถามก็เชิญถามได้ตามอัธยาศัยมีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือการพูดของอาตมาไม่ใช่การพูดด้วยปากแบบธรรมดาแต่เป็นการพูดด้วยใจเพียงแต่นึกพูดด้วยใจเท่านั้นก็เกิดเป็นกระแสเสียงที่ได้ยินชัดเจนทั้งอาตมาเองและคู่สนทนา ข้าเจ้าอยู่ที่ดอยนี้มาเป็นเวลา6กร้อยปีเศษแล้วสุเทวะฤสีพูดขึ้นและพูดต่อไปว่าเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ข้าเจ้าบำเพ็ญจนได้ฌานสี่แต่ข้าเจ้าไม่ได้เข้าฌานดับขันจึงมิได้ไปเกิดในพรหมโลกเป็นเพียงอารักเทวดาอยู่บนดอยนี้ต่อมาในปีพศอหอนึ่ง้าอยสิเจ็ด พระเจ้าคือนาธรรมิกราชแห่งนครเชียงใหม่ได้สร้างเจดีสถานแห่งนี้ขึ้นเพื่อบัรจุพระบรมธาตุซึ่งเท้าเธอได้มาจากกรุงสุขโขทัยและได้ทำพิธีบวงสรวงให้ข้าเจ้าเป็นผู้รักษาข้าเจ้าจึงตกลงรับสนองพระบัญชาเรื่อยมาอาตมากล่าวว่า การเสีสละเป็นเวลาร้อยร้อยปีรักษาปูชนียสถานเพื่อหิตาโนหิตประมวลแก่มวลชนนว่าเป็นมหากุศลอาตมาขอนโมทนาอาตมากล่าวตอบสุเทวฤสีสุเทวะฤสียิ้มด้วยความพอใจแต่แล้วก็มีสีหน้าเศร้าลงกล่าวว่า แต่ข้าเจ้าก็ตั้งใจไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งเมื่อพระบรมธาตุได้ผู้ดูแลที่เหมาะสมแทนแล้วจะจุติไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญบารมีต่อสิทีอาตมาจึงถามว่าตลอดระยะเวลาหกร้อยปีอันยาวนานนี้ท่านไม่เคยจุติไปเกิดเลยหรือเคยพระฤาษีตอบ แต่แรงอธิษฐานของพระราชาพระองค์นั้นไม่ยอมให้ข้าเจ้าไปเกิดในกำเนิดสูงกว่าเดริชาได้ข้าเจ้าจึงถือกำเนิดเป็นสัตว์วนเวียนอยู่แถวพระาธาตนี้สามสี่ครั้งครั้งสุดท้ายข้าเจ้าเกิดเป็นไก่เฝ้าดูแลพระาธาตจบจนเส้นอายุขไขหลังจากนั้นก็ไม่ได้เกิดอีกบัดนี้ข้าเจ้าเห็นว่า ถึงเวลาที่จะจุติไปเกิดในกำหนดมนุษย์แล้วเพราะบัดนี้พระอารามนี้ได้รับเลื่อนฐานะเป็นพระอารามหลวงอยู่ในพระอุปถรัรมภ์ของพระมหากษัตริย์แห่งสยามได้รับพระราชทานทุนทรัพย์อุปถัมภ์บำรุงทุก ป, ปีมีคณะกรรมการบริหารอย่างเข้มแข็งข้าเจ้าได้รับบัญชามาจากพระมหากษัตริย์ทรงรับเอาองค์พระาธาตุไวในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้าเจ้าจึงหมดหน้าที่แต่ก่อนที่จะจุติข้าเจ้ายังเป็นห่วงสมบัติเดิมบางอย่างที่ข้าเจ้าได้ฝังไว้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์ข้าเจ้าจะจุติอย่างไม่ได้จนกว่าจะได้ยกสมบัตินี้ให้แก่บุคคลที่เหมาะสมและบัตินี้ข้าเจ้าได้พบบุคคลดังว่านั้นแล้วคือตัวท่านนี้เอง อาตมารู้สึกประหลาดใจที่ได้ฟังประวัติความเป็นมาของพระาธาตุจากฤศีซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าคำบอกเล่าของฤศีจะเป็นความจริงหรือไม่วันต่อมาอาตมาได้ไปหานังสือประวัติพระาธาตุดอยสุเทพอ่านดูปรากฏว่าคำบอกเล่าของแก่เป็นความจริงทุกประการและเพื่อพิสูจน์คาพูดของฤศีเกี่ยวกับไก่ ที่เฝ้าดูแลพระธาตุวันรุ่งขึ้นอาตมาได้ถามเพื่อนสาธารมิกรูปหนึ่งดูว่าเคยมีไก่อาศัยอยู่บริเวณพระธาตุหรือไม่ท่านตอบว่าเคยมีและไก่ตัวนั้น จ, จัดจิตทุกคนที่ขึ้นไปบนลานพระธาตุโดยไม่ถอดรองเทา้าตอนที่หกโลภานุภาพอนุภาพแห่งความโลภ ถ้าเป็นขราวาดผู้อยู่ครองเรือนยังมีความโลภในทรัพย์และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพย์เมื่อมีผู้มาเสนอให้คุมทรัพย์เปล่าๆเช่นนั้นอาตมาคงตื่นเต้นดีใจหาน้อยไม่แต่ในฐานะเป็นบรรพชิตผู้เสียสละโลกิยะสมบัติทั้งปวงออกสแสวงหานิรา t มิสุขอันเกิดจากความเบาและอิสระเสรีเพราะได้ปลงภาระอันหนักต่างๆลงสิ้นแล้ว เมื่อฤาษีชรามาเสนอ ใ, นให้มหาสมบัติอาตมารู้สึกคล้ายกับจะมีคนยกเอาภาระอันหนักหน่วงขึ้นวางบนบาอีกจึงตอบนักพรตชราว่าถ้าท่านเข้าใจว่าอาตมาเป็นผู้เหมาะสมที่จะรับทรัพย์สมบัติของท่านท่านก็เข้าใจผิดเพราะอาตมาไม่ต้องการทรัพย์สมบัติของท่าน และชีวิตนักบวชของอาตมาก็ไม่มีจําเป็นด้วยทรัพย์ใดๆนอกเหนือไปจากบาและจีวรฤาษีตอบว่าก็เพราะท่านไม่ต้องการทรัพย์นี้เองข้าเจ้าจึงเห็นว่าท่านเป็นผู้เหมาะสมถ้าท่านยังมีความต้องการทรัพย์เมื่อรับเอาทรัพย์ของข้าเจ้าไปท่านก็จะนําไปใช้เป็นประโยชน์ตนคนเดียว แต่ในท่านไม่ต้องการทรัพย์ข้าเจ้าจึงเชื่อในว่าทรัพย์ของข้าเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นท่านจะรับหรือไม่เล่าคำถามแบบรบเร้าอยู่ในทีของพระฤาษีทําให้อตมาเกิดความลังเลใจขึ้นมาทันทีฤาษีชราดูเหมือนจะล่วงรู้วราระจิตของอตมาจึงพูดเป็นทํานองหวานล้อมต่อไปว่าถ้าท่านรับ ท่านจะได้ชื่อว่าธรรมหากุศลประการแรกเท่ากับปลดปล่อยข้าเจ้าให้เป็นอิสระข้าเจ้าจะได้จุติไปเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีต่อไปประการที่สองทรัพย์สมบัติของข้าเจ้าจะได้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแทนที่จะจมฝังดินอยู่เปล่าๆอัตมาสงสารหรือสีชาราผู้กระหายจะไปเกิดก็สงสาร แต่ก็ไม่ไายเกรงความยุ่งยากทั้งหลายแหลที่จะเกิดจากรั์เมื่อไม่สามารถจะตัดสินใจในขณะนั้นได้จึงขอผัดผ่อนกับท่านฤาษีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญสำหรับอาตมาถ้าท่านไม่รีบร้อนเกินไปอาตมาใคร่ขอไตรตรองดูสักหนึ่งวันก่อนวันพรุ่งนี้ขอเชิญท่านมาพบอาตมาอีก อาตอมาจะบอกความตกลงใจให้ข้าเจ้าไม่รีบร้อนแต่อย่างใดเพราะข้าเจ้าได้คอยโอกาสนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วการที่จะคอยไปอีกวันสองวันย่อมไม่ลำบากเลยแต่วันพรุ่งนี้ข้าเจ้าจะไปเยี่ยมเพื่อนรุสีอีกองคหนึ่งที่ดอยเชียงดาวและจะกลับในวันรุ่งขึ้นข้าเจ้าจะมาพบกับท่านอีกในวันมื่อืนนี้ ขณะที่พระฤาษีกำลังจะกราบลาไปนั่นเองอตามาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าทรัพย์สมบัติของพระฤาษีไม่มากมายนักก็จะตกลงรับเสียเลยจึงถามแก่ว่าถ้าไม่ขัดขอ้องอตามาใคร่จะทราบ ว, ว่าทรัพย์สมบัติของท่านมีอะไรบ้างและอยู่แห่งหนตาบลใดสมบัติของข้าเจ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องเพชรนินจินดา ที่พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรลา น, นาไทยอาณาจักรพะเยาและอาณาจักรสุขโขทัยในอดีตนำมาสักการะบูชาเครื่องเพชรเหล่านี้มีประมาณห้าไหขนาดกลางนอกจากนี้ก็มีเทวรูปทองคําขนาดกลางสามองค์หนังสือตำรา ย, ยาพร้อมด้วยตัวยาที่ข้าเจ้าเก็บรวบรวมไว้อีกหลายหอ่อมีต้นไม้เงินต้นไม้ทองคาอีกประมาณสิบต้น ซึ่ง ก, กษัตริย์แต่โบราณ น, นำมาบูชาองค์พระธาตุแต่ข้าเจ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยจึงนำไปเก็บรวบรวมกันไว้ในที่แห่งเดียวกันข้าเจ้าเก็บสมบัติเหล่านี้ไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆเขาห่างจากปงพระธาตุลงไปทางทิศโน้นไม่ไกลนักตรงปากถ้ำ ม, มีก้อนหินขนาดใหญ่สูงเท่าระดับศีรษะคนปิดไว ก้อนหินดังกล่าวตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างต้นขนาดใหญ่เท่ากับกอไผ่ก้อนอึ่งก้อนหินนั้นแม้จะดูใหญ่โตแต่ถ้าขึ้นไปยืนบนลานหินข้างบนแล้วใช้ท่อนไม้ขนาดใหญ่งัดมันจะล้มลงเปิดให้เห็นทางเข้าถ้ำอย่างชัดเจนเมื่อก้อนหินเปิดออกแล้วท่านจะเห็นปากถ้ำเป็นหลืบหินขนาดเล็กพอที่จะคลานเข้าไปได้ ถ้าท่านคลานเข้าไปเป็นระยะทางประมาณสามวาท่านจะพบว่ามีทางสองเพ่งอยู่ข้างหน้าขอให้ท่านคลานต่อไปตามทางด้านขวามืออย่าไปทางด้านซ้ายมือไป น, นันขาดเพราะเป็นทางอันสลับซับซ้อนลึกเข้าไปมากอาจทำให้หลงทางออกมาไม่ได้ ถ้าท่านไปตามทางด้านขวามือท่านจะพบว่าทางเดินค่อยๆกว้างและสูงขึ้นจนสามารถจะเดินได้อย่างสบายเมื่อท่านเดินตามทางนั้นต่อไปประมาณห้าหกวาท่านจะพบห้องโถงกว้างใหญ่พอสมควรข้าเจ้าเก็บทรัพย์สมบัติไว้ในห้องนั้นอาตมากล่าวขอบคุณสุทเทวฤศีที่กรุณาบอกจํานวนทรัพย์และที่ซ่อนให้อย่างละเอียดละอ่ แล้วฤาษีชราก็อำลาจากไปวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันพักตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอัตมาก็ถือเวลาไปสำรวจดูปากทางเข้าคุมมหาสมบัติตามคำบอกเล่าของฤาษีเดินลงจากองค์พระาธาตุไปไม่นานก็มาถึงหน้าผาสูงชันพอสมควรแห่งหนึ่ง ที่ตีนหน้าผาเป็นลานดินราบกว้างขวางมีต้นไม้ขึ้นร่มเย็นติดติดกับหน้าผามีก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่เท่ากับกอไผ่จริงดังคำบอกเล่าของฤาษีสารวจดูบริเวณทั่วไปเห็นว่าถูกต้องตามคำบอกเล่าและก็กลับกุติน้อย พอถึงกุติก็เริ่มคิดว่าจะจัดการอย่างไรกับทรัพย์สมบัติของฤาษีบางขณะความโลภที่ยังฝังจมอยู่ในส่วนลึกแห่งหัวใจก็ฟุ้งขึ้นมาทำให้เกิดความอยากได้ทรัพย์เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวแต่เมื่อได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาอาตอมาก็กำจัดโลภจิตเสียผู้ฝ่ายธรรม หลายท่านหลายคนที่เพิ่งเข้ามาศึกษาธรรมคิดเหมือนกันว่าพระสงฆ์สมณีนก็ตามญาติโยมบาสุกบาสิกาที่เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักต่างๆหรือปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามห ล, ลายปีนึกว่าดับความโลภอยากได้ทรัพย์แล้วการปฏิบัติธรรมะนึกว่าดับความโลภ อยากได้เงินทองความร่ำรวยเนี่คงจะดับได้แล้วแต่ส่วนใหญ่นั้นยังดับไม่ได้ถ้ามีสิ่งมายั่วยุยั่วยวนบ่อยๆตัวโลภตัวนี้ที่ฝังจมอยู่เรามาทับมาคม่มมาคุมมันไวเท่านั้นเมื่อโอกาสอำนวยมันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าขาดสติตามปัญญะถ้าสิ่งเวทล้อม ไม่มีแรงจูงใจให้สูงขึ้นจิตตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราสามารถทําสิ่งที่ไม่ใช่ผู้ประพฤติทำเขาทํากันฉะนั้นให้ท่านเข้าใจว่าโลภะตัวนี้ไม่ใช่ดับได้ง่ายๆที่มันไม่แสดงออกมาเพราะสิ่งเวดล้อมที่ดีเพราะอาศัยกัละยาณมิตรที่ดีหรือเพราะไม่มีใครมาล่อตาล่อใจในเรื่องทรัพย์เท่านั้นมันจึงไม่ออก แต่ผู้ใดแม้นมีสิ่งใดมายั่ว ย, ยุยั่วยวนมาล่อตาล่อใจแล้วไม่เกิดแสดงว่าผู้นั้นใช้สติสามัญญะอย่างดีเยี่ยมแต่บุคคลประเภทนี้ยันนึกว่าหาง่ายนะให้ท่านจำตรงนี้ไว้ให้ดียันนึกว่าการประพฤตริรมปฏิบัติธรรมจะดับความโลภได้สิ้นเชิงนะถ้าท่านไม่รีบระวังจิตไม่รักษาจิตให้มันคงจริงยกเว้นผู้เอาจริงท่านั้น ผู้เอาจิงทำอย่างไรคือฝึกจิตเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนเห็นโทษภัยในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมอแต่ถ้าเรามัวทำโมวพูดมัวคิดเรื่องอื่นๆภายนอกอันเป็นการทำความดีอย่างโลกๆอยู่ไม่ได้ทำความดีขั้นมรรคขั้นผลแล้วอย่านึกว่าท่านจะดับตัวโลภตัวนี้ได้สักวันหนึ่งจะต้องโผล่อยากได้แ น, น่นอน ขอให้ท่านอย่าเพิ่งไว้วางใจใครเป็นอันขาดแต่ก็ไม่ได้มองใครในแง่รายจงตั้งจิตเป็นกลางเอาไว้ใช้ปัญญาแล้วจักดีเมื่อได้กำจัดโลภะจิตเสียโดยพิจารณาให้เห็นความจริงที่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขสงบทางใจ มนุษย์ย่อมไม่สามารถจะมีความสุขสงบใจได้เพราะตัณหาคือความอยากเข้าครองจิตทำให้จิตกระเสกกระสนดิ้นรนอยากได้มาไม่รู้จักสิ้นสุดมนุษย์เห็นว่าทางเดียวที่จะทําให้สงบสุขได้ก็คือหาสิ่งต่างๆมาสนองความอยากเมื่อได้สมอยากก็เกิดความสงบสุขใจชัว่วคราวในไม่ช้าก็เกิดความอยากในสิ่งอื่น มนุษย์ผู้ตกเป็นทาสของตันหาก็วิ่งเต้นตัวเป็นเกลียวหาเยื่อมาเลี้ยงตันหาต่อไปจนกว่าชีวิตจะสิ้นสุดลงสุขแบบชาวโลกเป็นสุขชั่วคราวและนิดหน่อยแต่ต้องลงทุนลงแรงมากและเจือไปด้วยทุกการอาศัยทรัพยาความสุขเปรียบเหมือนนั่งเรือร่วข้ามฟากผู้โดยสารต้องเสียเวลาส่วนมาก ไปในการอุดรูรั่วมิให้เรือจมและเรือมัดจะจมก่อนถึงฝั่งเสมอชาวโลกที่หาความสุขจากทรัพย่อมเสียเวลาส่วนมากไปในการสแสวงหาและการบำรุงรักษาทรัพย์จนไม่มีเวลาหาความสุขสงบใจส่วนสุขทางธรรมมีลักษณะตรงกันข้ามกับสุขทางโลกคือแทนที่จะหากามควรทั้งห้ามาบำรุงเลี้ยงตัณหา กลับพยายามทำลายตัวตันหาซึ่งเป็นเหตุให้จิตใจกระเสือกกระสนดิ้นรนนั้นเสียเมื่อตันหาถูกทำลายแล้วจิตใจก็จะสงบสุขตลอดกาลเป็นสุขที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรนอกจากความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวที่จะปรานปราบปรามตัวตันหาเท่านั้นเองวันนี้ อาตมาได้จับศัตรูคือตันหาผูกมัดไว้แล้วด้วยสมาธิอย่างมั่นคงพ อ, อตันหาขยับตัวนิดหน่อยเพราะเห็นเครื่องล่อคือซากของฤาษีแล้วก็จะยอมแก้เชือกปล่อยให้มันเป็นอิสระขี่คอราวต่อไปในวัตฏะไม่รู้จากสิ้นสุดอีก ห, หรืออาตมาคิดได้ดังนี้ก็พยายามระับความอยากที่ฟุ้งขึ้นมาจนสงบระงับไป แม้ขณะที่ยังไม่ได้ออกปากรับทรัพย์สมบัติของสุเทวารีศี